ฟังฟังลวงได้ยินยินจำได้จำได้แล้ปัาติดตัวยนินจาได้แล้วฟังซื่อและบุตรฮาฟังคื่อนหลังจากการของวัเตาก็เลยมาแมนะนาให้พวกเราได้เข้าําวิธีปฏิบัติธมมา มันเป็นเทคนิคมันเป็นผลสาหริมันเป็ น, น, น, ปนทำให้เราเกิดปัญญาเรียกว่าจเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาบามทีเราคิดไปนั่งท่านกงิด่เนีนั่งตนโตให้ตรงตรงสติทั้ต้ั้งมั่น คือแปว่ั้งมั่นนั่งให้ตรงเราจะนั่งหงอยงายแล้วก็ทนจังหวะทนจังหวะอย่าทุท่มทำไวทำซ้าๆันอีกติดจังหวะตึกจังหวะนีนั่งแล้วก็ไปเดินชมคมเดินชมคมก็จะไปเดินไวเพินไปอย่าไปเดินซ้าเพลินไปเดินให้พอดีสอันนี้เป็นดีสุดที่ เทคหรือเป็นคนไขเป็นศิริยาเป็นอะไรกเป็นนัดเพราะพระพุทธเจ้าเพิ่งสอนไว้แล้วว่าให้มีสติสมนึกรู้ในอิริยาบถทั้งขี้ยืนก็ให้มีสติสมนึกรู้เดินก็ให้มีสติสมนึกรู้นั่งก็ให้มีสติสมนึกรู้นอนก็ให้มีสติสมนึกรู้ ข้าพุทธเจ้าควรสอนอะไรแล้วเรื่อนี้แล้วก็ให้มีะติกำหนดรู้ในอุรียาบทย้อยผู้เยั่วเ่อนไหวโดยยุทธิแดชต่อให้รู้เขาก็ต้องถามวิธีทํานั้นนอนสื่อมือเต่าระยะอย่างฟ้าที่ิก็ต้องสีสามสีสามอย่างลุ่มาสีที่สามสิบธรรมคำวัด ผู้สืบถอดผู้สืบถอดก็ต้องสืบสองสืบสามลุกออกมาทำวัดลุกออกมาเดยจเปนปมสร้างจังหวัดแล้วกรราฐานมาทําวัดกรรมํา ท, ที่ตรงนี้เพื่อกรอบรมอันนี้เป็นวิธีการเ ป, เป็นคนิดนิสเป็นปนใจทำแล้วทำมาเกิดปัญญาเกิดปัญญาเป็น ยังใดเกิดปัญญามันรู้สู้สําเร็จลูกลูกนี้สู้ของมันมันต้องไปศึกษาเล่าเรียนในพระไตรปิฎกสู้สําเร็จคําว่าสู้สําเร็จเนี่ยหมายถึงความสําเร็จมาจากส่วนอืเหมือนกับเพชรกับทองคําที่เกลือกปุย ก, กับตมกับเลนเอามาร้อนมาอย่างออ ก, กันแล้วมันเป็นเพชนล้วนที่ว่าเป็นสู้สําเร็จ ถ้าไปศึกษาไปเราเรียนจำเอาอนันมันบนรื่องพุทธสำเร็จมันบปเรเคื่องจักยานของปิดามันบป็นเ่องเคื่องมาจักยานของปัสน า, ายานนีปัสนายานใกนนรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็งจริงกระต่างเก่าลวงภาวะเดิมรู้พุทธสาเร็จของมันคือรู้รูปรู้นานี่แเป็นเบงต้นรูป นามลูกก็ได้เจอร่างกายนามได้จจิตใจลูกกับนามนี่กันอยู่นี้ลูกนามลูกทำนามทำสนุกเขาที่มะขึ้นมาลูกอันนี้ทำทำการทางานพูดคิดลูกอันนี้ทำมี่อว่าพระใจี่ดวลูกนี้เป็นพระสู้คาพูดนี้เป็นพระวินัยใจเป็นเป็นถานฐาน ทั้งซองอย่างนี้แหละได้เกใจสั่ขนาดเือกพสูธสันติศิ독สอหมืนหนึ่งันธรมัพระวินศิ독สองหมืหนึ่งพันธรรัพระอิธรรมศิดสี่มืนสองันธรรัรวมเป็นแปดมืนสันธรมัเขาเรียนรับถือวสูดสาเร็จมโนจากอานี้กับโลกน้ำโลกนี่สูดโลกอันนี้มันเป็นองไร โลกเกิดขมากระจิตหัวพวดท้องตายเน่าเข้าโลงโลกอันนี้ต้องไปอาศัยหมอที่โรงพยาบาลในโลกสติเนียงนั่งคืงอมีโบเจ็ตใค้ได้ป่วยแต่มันมีความรักความทางความอิจฉาวิษยาความยินดียินร้ายอันนี้จิดยิ่งงามเป็นโลกตูดมันต้องรู้แบบนี้ทอันนี้เพราะยามที่ศาสนาเกิดแล้ว เมื่อรู้จักอันนี้แล้วกัรู้จักทุกของอังอันนีจังนัสตาครูบาอาจารย์สอนว่านั่งนานนานาเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแข้งเจ็บขาเป็นทุกขงนนังเป็นอันนีจังเป็นนัสตาอันนั้นบนมี้เป็นทุกขะเวทนาทุกโซกโศกาทุกใไข่ลำไส้ตาหักเป็นทุกขังอันนี้จันโตทุกขงังโตอันนีจังโตนัส ต, ตาโตเคลื่อนโตไหว โตคิดตาโตหาใจโตนึกโตคิด น, นเป็นทุกขังติดอันปัตตาทุกขงังตัวทนไม่ไหวอันนี้จังเลว่าไม่เที่ยงอันัตตาบังคับบังตา บ, รราบรรอได้เป็นติงใส่ตัดธรมชาเขาต้องรู้จักสู้ีอันนี้เป็ว่าสู้สำเร็จรูปสําเร็จมาเส้ในตัวมันเองมั น, มนแตะมันลอกมันให้ว่ามันร้อนทองคําร้อนเพ็รออกมาเป็นเนื้อร้อนเ เมื่อรู้จักอันนี้แล้วก็รู้จักสมมุติสมมุติถีสมมุติเทวดาสมมุติบวชแล้วปฏิสิทธิแล้วกระบวชพระพุทธรูปก็สมมุติดสนมาให้ว่าสิ่งที่สมมุตดถีมาใหญ่บ้านทำนานภูกระบาลสมมุติทั้งนั้นที่ให้เขาอยากสมมุดถเมื่อสมมุติรู้จักแล้วก็มีตาพิชัน้อย ตอนหัวจักสมมุตินี่แหละเรากีเลิกละซึ่งที่ลงได้พอรู้จักสมมติหูวจักสมมุติดีแล้วก็รู้จักศาสนาศาสนาเป็ว่าคำทั้งสอนของทานผูรู้ผู้ได้รู้เรื่องอะไรก็นำเรื่องนั้นมาสอนแต่สอนให้คนละตัวทำดีอันนั้นบนในพุทธศาสนาเป็นเสียงศาสนา ศาสนาทานศาสนาเอาแก่ศาสนาดึกดำบรรพ์ว่าไม่คืศาสนาพุทธศาสนาพุทธะเตาผู้โลภผู้ซื่อผู้เบิกบานด้วยธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจธรรมจึงเป็นพุทธศาสาอันนี้สู้สาเร็จมบาปก็คือโง่บูรหัตวิศทางวิตรีปฏิบัติธรรมเป็นอืนสนบา เนื้อจะให้ทานลักษาสิ่งกินเจอยูย่กันาหากบุญจากวิถีธรรมเรื่องทุกออกจากตัวเองบุได้นะครับกกคือว่ายังมีบาปด้วยบุญมันบุญคือรู้รู้แล้วไคว่าสนับสนุนโบก็คือสบายใจอันนี้พุ่าวุญหลักพุทธศาสนารู้จักวไปนี่เป็นสู้สำเร็จ เลยโบเสื้อรุกงานยามดีเลยโบเสื้อสี่เบเสื้อตัวดาเพราะตัวเองรู้ทำเห็นทำธรรมะคือยังธรรมะคือตัวเของทุกคนทุกคนทรรมะคือว่าเห็นพระธรรมพระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ให้จบไปในที่ข้อประว่าแล้วไปหาพระธรรมนอกตัวเขบาบเห็น มาพระม น, นะเจ้าจินสีเป็นแตงเป็นลูกแก้วเป็นโรงทิ่ดวงจันทร์ล่องลอยเข้ามาสู้ตัวหอนันบรมแม่มันเป็นมายาของจิตใจเพราะของบุนผมคนิดของเขาคนโบราณท่านจึงสอนเอาไ ว, วา้ว่าจิตใจคนนี่วอกแวกพอกับได้ไวลุบมีลานไขในตนเราท่านควรบังคับคน ให้จิตโยนหมุนมาไปในทางข้างนี้เพราะปล่อยให้จิตหมุนไปในทางขง้างดีข้างนจะคิเลสเนห่ยคือบยเห็นจิตบยเห็นใจเท่นั้นเองทำที่มีทำที่ผมรู้สึกเทา่านี้ก็จะมีจักหนายหายคือเอามูลู้สึกซึ่แล้วก็นิ่ง่ายหายสูดอะทำเข้าครอบงาําอะทำกระสุกผมรู้ ลมละยันสามบูรนป้นปอกหลอกจนมันลอกเขาเป็นใจมันลอกเาเป็นจังหวาะาดิทีปฏิบัติวูทีปฏิบัติตอนเตาเพื่อหลอกพอกแม่ตีสองหรือตีสามตื่นตื่นแล้วนั่งสร้างจังหวะเดินจนมกรมทีละรังตรงขึ้นมาเขาเดินจมกรมอู่ทีแล้ว คนใดขี้เกยียจที่คานปฏิบัติบอกกลาวหน้ามีแต่เว้าแห ล, ละอยู่นบนบ่อนของบจคนใดรักการรักงานรักหน้าที่ปฏิบัติธรรมก้าวหน้าหวังพื้นฟูตัวเราหวังพื้นฟูผูบายจาหวังพื้นฟูคําส อ, อนแก้วเจ้าคนคนนั้นรู้จักเขารบสถานที่คนคนนั้นรู้จักเขารบ ตัวบุคคลที่จริงแล้วคนคนนั้น เ, นเขาลดตัวเองเพราะบ่อละเลยบ่ปล่อยปากนาที่ตัวเองปฏิบัติธรรมก็ เ, เ, ขเข้าหน้าตอนแรงมากแบบนี้ขอสมคนจะอาบน้ําอาบน้ามาแล้วก็มาห่มเสื้อของผ้าดิ่งผ้ามานั่งสร้างจงหะเดินจงกรมในเวลาแล้วเขาขี่หลัง พันมุคือว่าคนนั้นรักการรักงานรักหน้าที่รักตัเองบ่เป็นหมาหลอกเจ้าหมาลอกเจ้านี่คืว่ามีแต่เว้าโบสิตบกขั บ, บ, บมีแต่ข่มขี้เกียจขี้คานปฏิบัติธรร ม, มบอกก้าวหน้าพูนถึงเขาจีว่าเขาก้าวหน้ากับบอกก้าวหน้าเขาให้ตามหน้าที่ของเขาแล้วมู่ถึงมาจบิบอก้าวหน้ากับก้าวหน้าเพราะทําตามหน้าที่ อันนี้สป็นแเป็นนักปฏิบัติแท้เพเป็นคนพูดมากเพเป็นคนคุยมากเป็นคนทําการทํางานมากเป็นเพื่อฟังเขารบเพื่อฟังคำแนะนำของตูตัอาจารย์แล้วก็เพื่อฟังตัวเองคิดตัวเองเห็นเป็นแบการปฏิบัติธรรมแบบเพื่อเขาต้องพยายามทําทันทีจริงจังจรี่เพราะว่า คนที่ผมสุดออกมาเอามาสอนบ้านบูหมแลกตายกันไปหลายคนยายออกมาอยู่ป่าพุทธยามาฝุดอย่ที่ตรงนี้พวกนี้ก็ดีขึ้นพอดีย้ายออกจากนีนะ้ไปทางอื่ดมีแต่เวาการสอนจริงบนมีน้อยที่สุดเพราะคนมันตายเป็นพว้นั ก, กสุกเป็น พวาบ้านบูหอมขาเจ้าบทได้วดตอนนี้ขาเจ้าก็วา่าวธรรมะอยู่บทตอนเชคนที่รู้คนที่รู้น้อยกับบุตรเด็กเจิดไปจากไปมัดนี่วัเนนี้ต้องออกมาอยู่ฝ่าพุทธญาณนี่คนอยู่ฝ่าพุทธญาณนี่มือไอเองมืมหาบุตรอมมือเป็นกัรเสี่ยมือเป็นคำพันมือนี่แหละยังมั่นคงอยู่ซึกออกไปแล้วไปยังมั่นคงอยู่แต่ค น, น้อย บัด น, นี้ออกจากนี่ไปแล้วไปสอบคือออกไปแล้วบัดมันบวชเข้าไปในสัวใจได้่องบุตรศูนเพราะว่าบวดได้สอดกันมามีเจ้าบอให้ฝังจําไปอันนั้นได้ปริมาณมาคุณภาพห น, นีน้อยบัดนี้เขาเจ็บฟุตเอาคุณภาพบวชไม่ฟุตเอาปริมาณคนในที่ค้านบอกสื่อวอยากให้หนี คนใดบอเขาลบเคื่อฝฟังแล้วผมอยากให้นี่เพราะมันกี่สถานที่มันเปืองสถานที่เปืองปืนเปืองไฟเ ป, อเ ป, อเปืองที่ยู่ที่อาศัยมันมันเปืองเลาเอาคนดีคล้ายคล้ายคือแบที่หนูเม็ดเดียวดินเหมือนกินเพชรมักเพศรเมือยง่ายเนี่นยละลายแต่มันบดจิตจิงว่านเนงกับกุกแจพระกุกแจ ไม่ออกแม่ต้นสฏกบัตต้องปฏิบัติให้มันรู้แท้ๆอันนี้เป็นสูตรสําเร็จเรื่องต้นที่หลวงพ่อไวอมไ้มันเป็นสู้เป็นสู้ไปเป็นสู้สําเร็จอย่างนั้นอย่างนี้บอกสูตรสําเร็จที่หลวงพ่อว่าคือมันสําเร็จรูปมันออกมาเหตุมันอยู่ในต้นเป็นต้นเขาบอกเองบัดนีนเาาน้เอามาร้อนมาใช้เอามันได้มันเเป็นแก๊ ทองคำมันก็จมอยู่ในตมมันนี้มันรอดออกมาเป็นทองคำร้อยเปอเซอันนี้เป็นสูตรสําเร็จของมันต้องเห็นอารมณ์เป็นอย่างที่หลวงพรวานั้นต์นกเป็นสูตรเป็นสูตรเมื่อรู้จักองค์เซี่แล้วก็เห็นทระธรรมรู้เป็นยกมือไหว้ตัวเองได้เรามันมีคุณค่ามีประโยชน์มากกว่านี้แก่ก้อนนั่นมันเป็นตมเป็นเลนมันต้องเห็นเท็จ น้ำริสทสองคำเมื่อมาทำอย่างนี้นามันเห็นเพชรมีนเทองคำขึ้นยู่ภายในจิตใจขอคกคนที่เราเป็นพระได้ที่หลวงพ่อสู้สู้มีสิ่งสุดต้นสู้ที่ซ อ, อ, องเข้ามาหลวงพอ่อรู้ตอนเช่าสุดต้นสู้ที่ซองนี่หลวงพ่อมาเดินสุดผมตอนแรงเดินไปขับไปใสมาอาบน้ำคือวาบนะัติ ภาน้ำมันกำเดไปเดินมาลมคิดมันแรงตัวรู้มันนอนบาดนี้เขามาเดินไปเดินมามันคิดเข้าเข้าไปในตัวคิดมคิดมันดึงไปคือตัวหนูดึงแมวแมวตัวน้อยหนูตัวใหญ่หนูมันมีแหงเนี่ยแมวมันโดดจับหนูมันโดดเอิแมวมันบดเคยัดหนูจับหนูมันตื่น ตื้นเล่แมวมันติดหนูไปเมื่อได้มันกวาดกลาง น, นี้เพิ่มมาแล้วบัดนี้เฮามาทำคาทีสมมติวา่าให้อาหารแมวแมวมันกินอาหารมาเพิ่มมาเพิ่หนูตัวใหญ่มาขนาดใหญ่หมดเบยหนูออกมาโ๊บแมวมันโดดจับปั๊บหนูสอกตายเลยให้มันเป็นอัสั้นจับติดเพื่อ พอดีคิดุ๊บเป็ครับคิดปุ๊บเป็นปับคิดปุ๊บเป็นปับมันเป็นมันทุบจุดเขาพยายามทุ่มเททุมเปลี่ยนตรงที่ตรงนี้แท่งตึงเดี๋ยเท่งแท่งตรงนี้เท่งเนื้อเท่งอย่านี้เบิ่งดันถ้ามันเกิดอย่างบโลเทือกแต่ว่าเขายังพอดสุดถ้าห้าเขาพอดีเบิ่งเข้าไปปุ๊บ มันเห็นเออพูดมันบอกขึ้นมาว่าเป็นวัตถุวัตถุหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกวัตถุหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างคือโตเฮาก็ได้หรือต้นไม้โตเขาห้วยหน่อคลองบึงสิ่งที่มันมีในโลกนี่ว่าเป็นวัตถุจับถูกด้วยมือมองด้วยตาปรามัตดเลยว่าของจริงจริงจริงโดยสมมติจริงโดยปรมัด คือว่ามีสมมติบัญญัติอัฏฐะบัญญัติอริยบัญญัติบัดนี้อัฏฐะบัญญัติมันอัฏฐะแปลว่าลึกยากบุคคลที่ใจะเห็นจิตใจตัวเองอริยบัญญัติต้องเป็นพระเดียวกันหมดเนว่าแปลว่าตำราโบได้บอกถึงขณะนี้อันนี้เนะี่เป็นสูตรสำเร็จที่ผมได้ปฏิบัติผมกล้ายืนยันรับรองคำํำโพสูตร ส, สุดนี้ ม เ, เมื่อรู้เห็นวัตถุเห็นปมัตหามัตถุหมายถึงของที่นี้ร่างกายลกแล้วก็นี้จิตใจเรานึกแล้วคิดปัญหาัตหาไปว่าเอาเหตุยูบมียูบเป็นยูบกาลังสัมผัสยูบอาการมีการเปล่นแปลพอดีเห็นสูตสูตรนี้สำเร็จเป็นอย่าก็เป็ น, น, น, นโพสะโมหะเลยครโทสะ์ ลายแดบม cafe, มโมหะ่วมมวยโลภะอยู่ใต้โมหะโทสะโลภะโมหะขวมมวยคนจึงมักหลงทำสิพูผสิสิตคิดเมื่อเห็นสูตรนี้จบมังเคนี้เด็กเพลรู้เข้าใจสูตรเวทนาขันไดมีอยู่มาส สัญญาขานันมีอยู่ไม่ถูกสังขารขานันมีอยู่ไม่ถูกวิญญาณขันมีอยู่ไม่ถูกไม่เรียกว่าขันสี่บ่มีขันห้าอันนี้แปลว่ารูปสี่ันสี่รูปนี้เนี่ยเป็นเทวดารูปนี้เนี่ยเป็นสี่ส่วนรูปขันเททนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเป็นขันห้าอันขันห้านั้นรูปนี้ มันเป็นเพ as ียงวัตถุเรียกว่าวัตถุอุดกระได้เมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วก็เห็นผีเห็นเทวดาเลยผีคือคนเบางนาสอนยากพูดยากนี้เขาเป็นผีเขาเคยว่ากันข้าหักพูดสาบอกผีไม่ได้เล่อนเหมือนบางนาไม่เห็นถ้าเป็นผู้หญิงอีผีไม่ได้เลื่อนเหมือนบางาคือผี ได้คนโบ้เต็มทีได้ใจเขได้เป็นทีที่เห็นจิตใจตัวเองนนเป็นการที่ผมไรบัดนี้เห็นคนใดว่าง่ายสอนง่ายผู้นี้คือเทวดาผู้นี้คือพระมนี่จือให้เห็นพระธรรมจริงๆปีนี้พวกเราเอากันจริงๆพระธรรมการพระธรรมงานพระพูดพระคิดพระ คือผู้ใจดีอันนี้หลักศาสนามีหลักศาสนใจดีหลักศาสนาที่<ม>สู้กันไปถึงต้นหลักธรรนั่นคืว่าสู้ดีใจรู้แล้วดีใจใจอย่างบดใจนั่นแดีเมื่อผมเห็นเวทนาไม่ทุกเวทนาไม่ทุกสังขารไม่ทุกจิตหาดไม่ทุกผมเดินไปเดินนี่แหละ นี่ค่ะเอโอ้โอ้อ น, นี่เป็นพระได้เด้วเด้นี่เป็นอย่างนี่ก็สสูสําเร็จ ผ, ผมกระยาวอ ย, อยู่น้ำหนักตัวของผมผมตีราคาไว้ร้อยกิโลเบาว่งออกไปโลแปดสิกิโลแต่ผมมาตัดแล้วหกสิบกิโลอกอเป็นพระแล้วแ น, วน่รู้จักมักที่ตรงนี้เลย นี่แหละมักเต่ว่าเดินไปหาพระุริเจ้าตำราขจาเอื้อนเป็นปฐมมาตราผู้ปิยญ า, าศารตร์าสติยญาศาร์จักุทศาสตร์ปัญจมาตราขาจาวาแต่อันนี้บดได้วา่าจั่ะเนี่ยผมก็เลยเดินกลับไปครับบ่ทันนานครับเพราะเท็ดถูกจังหวะได้ครับลักการลักงาน รักหน้าที่รักเวลารักตนเองเขาลบตนเองยกมือไหว้ตัวเองได้ตั้งแต่มือนั้นมาจนสวันนี้ยกมือไหว้ตัวเองมีอของดีไว้ในตัวเขาเด็ดเดี้ผมเดิ ก, กลับไปกลับมาอยู่บ่ทันนานเห็นขึ้นมาอีสิสูตรสูตรนี้ สูดรนี้ว่ากิเลสตัณหาอุปทานกรรมรนีโอ้พอรู้จักอันนี้แล้วก็รู้จักสิมลดตสิมเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างงา่ายสมาธิเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างกล้ปัญญาเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างละเอียดอาจารยตำราเป็นวา่าแต่ในขณะของผมรู้จักนั้นสิมขันสมาธิขันปัญญาขันอาจารยขันต์แปลว่าที่ ถ้าขันดีตักน้ําไปก็ได้กินถ้าขันแตกตักน้ําไปก็บม่ได้กินมันหัวที่หมดเลยครับถ้าขันดีตักเข้าใส่บาตให้ผราก็น้าทีนถ้าขันสกปรกตักเข้าใส่บาตให้พราก็บรรยาน้าทีนเนี่ยจึงว่ารู้จักหน้าที่ผมก็เลยรู้จักว่ามีสี่งสิ่งแต่ว่าปกติกายปกติวาจาปกติใจนี้ถ้าหากบม่มีปกติแล้ว บ่มีสิทธิ์อะไรพ้สู้ของผมเรียนมาได้ปฏิบัติมาได้รู้ได้เข้าใจมาอย่างีสิสู้ๆเหล่านี้บนต้องไปขึ้นอยู่กับพระใจติดดกตัวหนึ่งเสมอสู้ๆนี้มันขึ้นอยู่กับพระใจติดดกคือขึ้นอยู่กับทจิตวานุกูลพระสู้คือได้แก่ร่างกายพระเวินัยได้แก่คาพูดพระอภิธรรมได้แก่จิตใจใจมันนึกมันคิดหนักสาติดดกนี่เรียนรัดสู้ๆดีตรงที่สุด มันเหมือน ก, นกันกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าตัสทั้งหลายคือเราตดถาคตตัสตทั้งหลายเหมือนเราตดถาคตตัสตทั้งหลายเป็นตดถาคตเ่ราะเม่เป็นพระพุทธเจ้าเราต้องทําตามพระพุทธเจ้าเป็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นวางสีวะไว้จะเนยสวนหน่วยจตุมมานาะยะ พุทธานุพุทธังสมามะสีระทิฏฐิกันผู้ตัดสู้ตามพระพุทธเจ้ามีสิลได้ทิฏฐิเสมอกันหนึ่กันเฮาลู่ตามเห็นตามพระพุทธเจ้าจึงบอกผิดกันกับพระพุทธเจ้าและเลิกหัวมัวได้แท้ๆหนี่งเป็นวาระบัด น, นี้ข้อสุดท้ายนี้พระพุทธเจ้าคนตัดว่าตัดทั้งหลายเรากู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้น แล้จึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามย่างเราตถาคุณนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีย่างเราตถาคุณนี้เนี่ยรู้เห็นเป็นมีเหมือนกันกันกบพระพุทธเจ้าจึง่สูรเหล่านี้เราต้องปฏิบัติธรรมให้มันแสดงมันขึ้นมาเองมีมั่นคงถาวรไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรพันนั่นเป็ น, น, นรณจึงว่าวาเรื่องนี้พวก การให้ฐานรักษาสิ่งจินเจดันดีแล้วแต่เหายัางใจมืด อ, อยู่เมื่อได้จากเมเสเนเราเห็นพระพุทธเจ้าโลกระเดียบเห็นพระธรรมเห็นพระสงเห็นจริงๆแมเนเซียเอาเรื่องของปูจริงมาเอาคนทุกคนต้องเป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นวายังแต่คนทุกคนต้องเป็นพระธรรมได้คนทุกคนต้องเป็นพระสงได้เรือนพระใจติดกจนจบ ปะโยคเก้าคนคนเอื้นบัณฑิตเรียนทางโลกได้ปริยายเอกเป็นกระเอื้นบัณฑิตเป็นนักมากเนี่ยเคยถามคนมาลายคนแล้วหลงพอ่อ <c oughs> คำว่าคนคนนี้ผู้ใดให้ซื้อเสียงเรียงนามมาอ้ยเขาเล่ากับท่านมาเสดึจดำบานพุ่นแสดงว่าคนนั้นอย่างบุกเข้าใจสูตรเหล่านี้แต่เข้าใจทางโลกคำว่าคนคนได้หมายถึงผู้ที่เป็นอาดีบุคคล เลือกคัดจัดหาแก้ปัญหาตัวเองได้แก้ปัญหาสังคมได้จึว่าเป็นคนจึงเป็นพระอเนกบุคคลเนี่ยเป็นว่าจริงคำว่าคนคนนี้เกิดมาแค้งขาหน้าตามือเท่าเป็นคนก็จริงใจอย่างบดสว่างยังไม่ใช่คนยังเป็นผีเป็นเตจเป็นมารเป็นไปร้อยอันร้อยอย่างเนี่เป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดลสารเนี่ย เขาอยากเข้าใจว่าสัตว์นรกนั้นดุไก่ตื่นไปสัตว์นรกคือมันร้อนอกร้อนใจสัตว์เวลสารคือมันทําการทํางานบุรู้จักอายสัตว์เวลลาร์ซามันบุรู้จักผายเฮาเบิ่งแม่โตมาโตมูโตติดโตไก่มันอยากขี้แต่มันก็ขี้คนเฮาขันอยากเว้าวแ่เนี่ยก็เว้าไปโดยบุรุษจากให้จากพุทธนะก็คายคลคือกันเพราะจังหวะเป็นพระวีไนย ให้มีวี่นไหนครอบในปากเทานี้ไว้ควรว่ากับว่าบุกคน ว, ว่ากับบกว่าอย่างนี้กพระอาทิทันใจมันสั่งให้ทําบางทีสั่งผิดก็ได้สั่งถูกก็ได้อันนั้นมันเป็นขุมรู้มันเป็นขุมคิดจึงว่าสติความลึกได้ผลมันคิดพอยหูจักทันทีมันคิ ด, คดปุ๊บเห็นปับ๊บดุกได้ เอืนว่า่วมรู้สึกตัวเขาเอื้นว่ารู้สึกตัวเขา้อวได้ว่าภาษาบาลีในประเทศอินเดียให้มันรู้สึกตัวตื่นตัวให้มันรู้สึกใจตื่นใจให้มันรู้สึกย่าหลงตนย่าลืมตัวย่าหลงกายย่าลืมใจนี่เป็นวิธีปฏิบัติง่ายๆเป็นวิธีปฏิบัติหลั ด, ลดปฏิบัติไปกับการกรรมทุกประเภทเอาพระธรรม ไปทำงานโบมินเอาพระธรรมมาที่งไว้นํานวัดโบมินเอาพระธรรมไปเที่ยงไปตามตัวหนังสือโบมินเอาพระธรรมไปที่ยงไปตามถนนหนทางเอาพระธรรมโตเฮานี่แหละไปทําการทํางานเอาไปพูดเอาไปจิดมีพื้นเอื้นพระธรรมน้อมรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ซัวคนขันโ่ยให้ดังซันแล้วตกไปในที่ซัวจริงๆเ ป, ป็นอะไร้ัวซัวทุกคนรู้จัก รวมดีทุกคนรู้จักแต่บุู้จักพระธรรมเดียวนี้เขามาว่ากันให้รู้จักพระธรรมปฏิบัติอย่างหลัดๆให้มันตรงเตะเข้าไปโรดไปเดียวถ้าหากผู้ใดฟังแล้วนำไปปฏิบัติเป็นผลดีพระธรรมนอมรักษาผู้ประพฤติธรรมเป็นไรจิตที่ฝึก ด, ดีแล้วนำสุขมาให้ เขาฝึกไน้จิตใจมิ่งได้เดี๋ยวนี้เข า, าได้ฝึกมีได้ศึกษาเล่าเรียนตามตำรับตำราโบาได้หัดกันในภาคปฏิบัติหลัดๆ ล, ดลดย่อย่อเขามีการมีงานพระบวชเข้ามาแล้วบางคน ก, ก็อยากฝึกบางคน ก, ก็บรอยากาฝึกฝึกกะดิบโฝึกกะดิเปล่นฝึกไปกับ ว, วาธรรมะบวอยู่กับวาธรรมะ รู้จักการรู้จักงานรู้จักเวลานั่นเป็นเอิ้นพระคนบรู้จักการบรู้จักเวลานั่นคนบรูเพื่อนพร ะ, พะมันบุู้้จักเด็กที่เป็นพระได้บอกมันก็เป็นผีสนวะคนพูดงากรายาเขาเอิ้นบักผีอย่างที่ผมวา่านถ้าหักเป็นผู้ตายถ้าเป็นผู้ยิงเขาว่าอีผ้ผีถ้าเป็นพระเป็นเดินเข้าพระผีเนรผีอันนี้เป็นพระสมมุติดิ่นพระแท้ๆนั่นคน กำหนดเอาตั้งแต่พระโสดาบันบุคคลพระสกิทาคาพระอนาคาพระอารหันต์ไปพุ่นเพิ่วงว่าฮาวากันเนรสุปฏิปโนพระคาวาโตสาวกสังโคทรงสาวกของพระองค์ภาคเจ้านั้นโมไดปฏิบัติดีแล้วคือปฏิบัติดีพวกนี้ขับเป็พระบโบม่นปฏิบัติซู้ซ้ว่เป็นพระเด้อุตสูปฏิปโนพระคาวาโตสาวกสังโค สรงสาวกของพระผูญอูภาคเจ้านั้นโมใด sy. ปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติจนสุดเป็นพูกนี้ครับยายยัตปฏิปันุพระคัมภโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผูญอูภาคเจ้านั้นโมใดปฏิบัติเพื่อรู่ทำเป็นเพื่องออกจากทุกเลือดออกจากทุกได้จริงๆครับสุดต้นน่สุดที่สอนเขออกจากทุกได้จริงๆสุดที่สอนจะออกจากทุกได้จริงๆเป็นอย่างนั้นครับ มันเป็นสู้เป็นสู้เป็นสูตรไปที่ผมได้ศึกษาเราเรียนและปฏิบัติมาผมจึงมั่นใจว่าหลักพุทธศาสนาสอนเึงสูตรสำเร็จแท้บท้องแปะเรื่องแปะเรื่องอย่างไปนั่งเอาสมากรรมทานเขาเคยได้ยินได้ฟังกันเด้ให้ฐานรักษาสิ่งกินเจมาไปทํากรรมฐานอาลาดาบทอุทธากาดาบทได้สมาบัดแปะทุน อันนั่นก็นยังบ่กใหเป็นสูตรสำเร็จเดนะ่ะมันเป็นเรื่องศาสน า, าพาหมศาสนาเก้าแกลดึกดำบัรพนนะ่ะเจ้าคว่านี่ปฏิบัติลัด ล, ดลดสูตรลัดลัดเคยสอนเคยพูดมาแล้วเด็กน้อยเจ็ดแปดเก้าปีไปถึงอายุ1ิบสามปีหูหนายเจ่คนได้ศึกษาเล่าเรียนมานั้นนานหู เพามันมีอารมณ์มีอดีตมีอนาคตเป็นอะไรปัจจุบันมีน้อยผู้น้อยนี่ข้าเจะบ่มีอารมณ์บอกว่าให้รู้สึกโตนะทำจังหวะดีๆนะข้าเจ้าก็รู้สึกโตทำจังหวะดีๆบโเกินสามสิบมือบางคนก็20ยี่สิบมื อ, บ า, มอบางคนก็25ยี่สิบห้ามือนี่หละอ้ยผมตุ้นพระได้แล้วขับเน็ค ร ว, วมเป็นพระแบบนี้มีอยู่และในคนทุกคนที่ว่าสู้สำเร็จมันสำเร็จตัวมันออกมาบนแมงเขาที่ไปจดไปจำเอากาพมกาทีใบลมใบลานไปเลี้ยนอยู่นั่นอันนั้นกะดิกะดิอันนั้นก็ะได้จะเลียนมากเปลีอยมากยากนานเลียนน้อยพอยลำคาญสู้ไม่รู้อันใดทั้งหมดเลยเดือดบมีดเขียนนสิกโเป็น อ่านนืส้สก็บอเป็นเป็นเต็ตัวลาวกับตัวอันตัวถ้ำตัวไทยง่ายเฮานี่สิทบวกเปลนเพราะว่าสมัยมันไม่ตึงเม้นได้เรียงตัวลาวกับเตียงตัวถ้ำพอเขียนได้อ่านเต็ด น, นี่แหละก็บอกเมื่อกีโฮมากปฏิบัติโฮคือกันมัดเพราะมันมีอยู่ในคนนี้พ่อแม่ก็เคยบอกเคยสอนไว้แล้วว่าห่วงซอกยาววานอ่ะคือ มีพร้อมแล้วให้ศึกษาได้ทุกอย่างนี่นศึกษาเฉลีของบุคคลจากคนบอกนะครับศึกษาได้ทุกอย่างเนีนการศึกษานั่นคือเป็นการปฏิบัติเหตุจังหวะนี่แหละเหตุไปเฮตุ ม, มันเกิดความรู้ขึ้นมาอันนี้เป็นวิธีเป็นเทคนิคเป็ น, ป น, นกลไกทําให้เกิดปัญญาได้จริงๆได้รู้แจ้งเหตจริงตามความเป็นจริงอันนี้ ที่เป็นเทคนิคเป็นกลไกให้จังหวะเนี่ยจังหวะจับมือเข้าเอามือออกทำให้เป็นให้คล้องตัวแล้วก็จังหวะลุกจังหวะนั่งทำให้คล้องตัวคมหัดเบินจังข้าประดิษฐ์ก้าเอาหัวเข้ารับแขนซอกมาจูกก๊กนักเอาหัวหลงมบนเอื้นอเนเบรกอยงข้าประดิษฐ์ผมมาลูธทรมาอันนี้แล้วผมเตียนโหลดครับ กาบลงให้มีห้าจังหวะเดินจังขาพอดีแปลว่าพร้อมทุกองห้าเอาแขนซอกป้องเข้าหัวเข่านี้แล้วกระ บ, บ่กให้มันโค่นเดวตู้ขึ้นให้มันติดกันอยู่เนี่ยกาบเด็กนะครับมีห้าจังหวะว้ายตัวเองก็มีห้าจังหวะผมฝึกไวแล้วฝุกไว้ตั้งสมัยบ้านบุหงาป่าพุทธยายทีนี้ก็ฝึกกันน้อย เดี๋ยวนี้ยังให้พวกเขาต้องฝึกกันจริงๆให้มันเป็นลุกขึ้นก็นมีจังหวะนั่งลงก็มีจังหวะเ ห, เห้เป็นจังหวะเป็นจังหวะถ้าหากเขารักการรักงานรักหน้าที่ทาเป็นจังหวะนิยมว่าโบ น, นัสและพยายามเก็บโตให้ได้และก็เชื่อว่าเขารักการรักงานรักหน้าที่การปฏิบัติธรรมะก็ก้าวหน้า คนใดบลลักการบลลักงานบลลักหน้าที่การปฏิบัติธรรมกเข บ, บอกก้าวหน้าถ้าบอกก้าวหน้าแล้วบุตรีคนฟังบวกกับมนือบวกกับตัวบอกแล้วบอฟังเดชบวกกับเนื้อบวกกับตัวเขาบอกคนหน้าดื้อคนหน้าด้านสันดานของศัพท์สันดานของศัตว์สันดานของผีไม่ใช่สันดานของคนไม่ใชสันดานของมนุษย์จวค้นจึงว่า แต่ว่ากู้เลือกคัดจัดหาเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์จึงว่าคนคนถามมาแล้วหลายคนคือไว้ายฟังใครซื้อเสี่ยงเรียงนามมาเขาเว่ากันมาสัง่งอันนั้นบสถูกถูกอยู่แ้่มันบ่กเขาลลุอย่างที่ผมว่าเนี่ยมันถูกมันเข้าหลุดคนไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เป็นอายบอิบุคคลจึงจะเป็นคนได้ถ้าหากเป็นคนแล้วยังไปบูได้รู้จักกบูเมนอาดิบุคคน มันทําผิดพูดผิดคิดผิดอยู่ด้มันยังวนในนิพพัฒนามันเป็นปะะนิพพัฒนนึกเป็นนิพพัฒน์คิดมันเป็นปะะนิพพัฒนูไปชนใดหูสมบูรณ์จักแล้วจังว่าพวกเหาปีนี้พันษานี้เนรก็คือกันพระก็คือกันโยมก็เหต้องฝุกกันจริงกันจังพระจนนํานวนเหาดูนี่ก็หลายลูกถ้าได้ปีนึงสองคนสามคนเรือว่า ได้หลายเท่าดีออกไปเผยแผ่ทําให้พุทธศาสนาเจริญได้เดี๋ยวนี้เราเจเริญทางวัตถุสร้างโบสถ์แข่งกันสร้างกุติแข่งกันสร้างสลากา ร, ปรเปลี่ยนแข่งกันหนึบมันมึดเ น, นื้ยเนื้อส่วนธรรมะจิตใจคนมันต่ํามันยังมีการอิสราลิษยากันอยู่สร้างโบสถ์ราคาเป็นล้านผิดที่อย่างกัน เอาสร้างที่นี่งบประมาณแล้วบทเท่าใดปีที่เอามาสร้างนะปีที่แล้วว่าปีที่แล้วที่เดือดมีอเพราะเวาะลาจริงปีที่แล้วมีเปิดอบรมที่พันสนากนมามธามมีคนมาล้อย่อฟังรู้จักรูปนามรู้จักรูปธรรมนามธรรมให้ว่าเรื่องมมตหตินี้เูาจักหมดประมาณอย่างน้อยบุลุกยี่สิบคนเนี่ยคุ้มแล้วเหาอีนี้ฝึกกันจริงกันจังอีกตื่น มันกระจายดีขึ้นปีหน้าฝึกกันจริงกันจังขึ้นมาอีกทีมันกระจายดีขึ้นเป็นสำนักปฏิบัติธรรมของพวกเขาเนี่วม อ, อกรวมใจกันสร้างโดยแมงผู้นั้นสร้างผู้นี้สร้างเขาช่วยกันครูบาอาจารย์ก็สร้างญาติโยมก็สร้างสร้างคุณดีกมงามปุ๊กคุณดีกมงามให้มีผู้ศรัทธาคนบูได้สร้างคุณดีกมงามมาทําลายมู่ให้เสื่อหมดไปคนนั้นตายซะดีกว่า ตายเนาเข้าหลวงนี่หอาไปที่ายคนตายทําคมซัวเนี่ยมันนานหมดพ่อแม่เห่าเคยว่ามือนี่มันบุตรีตายซะคนเห็นเพ่อเดียวมือนี่คันทำํำบุตรีไปทางนั้นบอว่ามึงเห็ดซัวพ่อแม่ทุกไปบ้านนั้นก็บว่ามึงเห็ดซัวพ่อแม่ทุกตัวเองมันก็ทุกข์คือกั น, วนวเป็นหวานเปนพ่อแม่เนี่ยพอ่อตายสย้ายคนเห็นซะมืออันนี้หอกลั บ, บเมื่อกลับตัวอย่าสร้างข่มซัว สร้างเจ้าคุณอยูามาให้คนถามฮะไม่เด่นคันผมว่านี่ก็คือวาสมควรแล้วมาให้ฟังจนสูดสำเร็จมาแล้วสาสุดแล้วท้ายที่สุดนี้อาตมาพร้อมด้วยพระ ส, สงฆ์และญาติโยมานั่งฟังธรรมะอยู่ณสถานที่หลังจากกานธรรมะเอาเห็นว่าสมควรเจ๊เวลาแล้วท้ายที่สุดนี้อาตมาพร้อมด้วยพระ ส, สงฆ์และญาติโยม ขออ้างอิงเอากุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสั้งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระลันตาสาวพกพระสัมมาสัพพุทธเจ้ามาตรึงจิตและกิจใจของพวกเราให้พวกเราได้จเจริญลอยตามพระพุทธเจ้าอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสจั์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแรงแห่งนั้นและจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลาย ให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าพูดสอนจะเห็นจะเป็นจะมีอย่างไรเห็นจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจปกติจิตใจคล่องใสจิตใจว่องไวสามารถมองเห็นอะไรได้ทุกอย่าง มันไม่มองเห็นใต้ดินเห็นมิดเห็นเมฆสายมันบ่แมนสามารถมองเห็นจิตใจเขานึกเขาคิดนี้มันคิดดีคิดตัวมันสามารถมองเห็นอันนี้นี่จริงว่าให้เราทุกคนทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติตามพระฤาษีษระพ ย, ย์แท่สูตรเหล่านี่แหละที่เราศึกษาเราเรียนมานี่แหละให้คนได้ยินได้ฟังสูตรเหล่านี่มันผม มันเป็นตมเป็นเลนจับเพชรจับทองคําไว้คนรวยโบเห็นเพชรโบเห็นทองคำํำนี่นไปขั้วเอาตะ ก, กั่วลูกฟืนหรืออันใดพุ้นมาเป็นเพชรเป็นทองคําขึ้นมาขอให้ทุกคนทุกคนตรงประสบพบเห็นเอาอย่างที่ว่าจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจค้องใสจิตใจว่องไวสามารถมองเห็นอันใดได้ทุกอย่าง ขอให้ทุกคนกรบพุณจงประสบพบเินเอาในระยะเวลาอันใกล้นี้จงทุกทุกคนเธอ <c oughs>